เจาิญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านท้าหมายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาพระธรรมคำสอน ของพระอาหันตะสั ม, มาสัมพุทธเจ้าพระมรมาศาสดาผู้ที่เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแสงสว่างในที่มืดชีวิตของพวกเราในตอนนี้เหมือนอยู่ในที่มืด ถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำแบบขนตาบอดได้บ้างเสียบ้างสุบบ้างทุกบ้างเพราะเราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆสิ่งที่ทำให้เราสุขสิ่งที่ทำให้เราทุกขได้เราจึงต้อง มีแสงสว่างพาเรามีแสงสว่างเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะได้หาแต่สิ่งที่เป็นคุณฉันใดชีวิตของพวกเรานี่ก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในที่มืดเราต้องการแสงสว่าง แสงสว่างของชีวิตนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดมีแสงสว่างคือพระธรรมคําสอนนําทางชีวิตจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญชีวิตจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรา มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยการศึกษาคือการฟังเทศฟัมธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆพอเราได้ฟังได้อ่าน เราก็จะได้รู้สิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนสิ่งที่เราเคยรู้มาแล้วเราก็จะเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญความรู้ของพระพุธเจ้านี้เป็นความรู้ที่ไม่กว้างขวางมากมายเหมือนกับความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้มีหลากหลาย สาขาหลากหลายวิชามีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แพทยาศาสตร์สังคมาศาสตร์อะไรต่างๆมากมายก่ายกองแต่ความรู้ทางโลกนี้ถึงแม้จะเรียนถึงระดับปริญญาตริโทเองความรู้เหล่านี้ก็ยังไม่สามารถนำพาชีวิตของเรา ให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจได้คนที่จบปริญญาเอกก็ยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่ยังหาความสุขอยู่เพราะเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้จริงนั่นเองความรู้ที่แท้จริงนี้ต้องพาให้ผู้มีความรู้ ไปถึงความสุขความเจริญห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความรู้ของพระพุทธศาสนานี้จะทำให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้หลุดพ้นเราก็จะได้หลุดพ้นเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญต่อการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการหมั่นฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะอยู่อย่างเนืองเนืองอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระนี้ท่านเรียกว่าวันธรร ม, มัวนะัฒนา ธรรมวัฒนาแปลว่าการฟังธรรมนี่เองการฟังธรรมจะทําให้เราได้ความรู้ได้ความฉลาดแล้วเราจะได้นําความรู้ความฉลาดนี้นําพาชีวิตของเราให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆให้เข้าสู่ความสุขความเจริญตามลําดับจนถึงความสุขความเจริญขั้นสูงสุด การรู้ที่พุทธศาสนาสาวน้อยพุทธศาสนิกชนควรจะรู้นี้มีอยู่7ประการด้วยกันหรือ7ข้อข้อที่หนึ่งคือรู้เหตุข้อที่สองคือรู้ผลข้อที่สคือรู้ตนข้อที่4คือรู้บุคคลข้อที่หรู้สังคมข้อที่6รู้กาลเทศะข้อที่7 รู้ประมาณถ้ารู้เจ็ดข้อนี้แล้วแล้วสามารถปฏิบัติตามความรู้ไีได้ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆเลยดังนั้นขอให้เรามาทำความเข้าใจมาทำความรู้จักกับความรู้ทั้งเจ็ดข้อนี้ข้อที่หนึ่งรู้เหตุเหตุ คืออะไรเหตุก็คือการกะระทาของเรานี่แหละการกะระทาของเรานี่ก็มีสามทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือเหตุเหตุที่จะทําให้เราได้รับผลผลคืออะไรผลก็คือความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมเป็นผลที่เกิดจากเหตุ เราต้องรู้เหตุและต้องรู้ผลเราอยากได้ผลอย่างไรเราก็ต้องมาศึกษาดูว่าเหตุที่จะทำให้เกิดผลนั้นเป็นอย่างไรเพราะผลไม่เกิดจากความปรารถนาของเราหรือความการกระทำที่ไม่ใช่เป็นเหตุเช่นเราอยากได้ความสุขความเจริญเราก็มากราบพระจุดทูกเทียนสามดอก ถ้าเราทำอย่างนี้ความสุขความเจริญก็จะไม่เกิดถ้าเกิดพวกเราก็เจริญกันไปหมดแล้วเพราะพวกเรากราบพระกันเก่งทุกคนจุดธูปเทียนเก่งกันทุกคนแต่เราก็ยังวนเวียนอยู่กับความความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมอยู่เพราะนั่นไม่ใช่เป็นเหตุเหตุที่อยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ ก็คือถ้าคิดดีพูดดีทำดีผลก็จะดีถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลก็จะไม่ดีอย่างวันนี้ญาติโยมคิดดีพูดดีทำดีกันผลก็เกิดขึ้นแล้วโดยที่ญาติโยมไม่รู้สึกตัวผลนี่มันผลที่แท้จริงนี่เกิดขึ้นในใจของเราใจเรามีความสุขมีความสบายใจ วันนี้ที่เราได้ทำบุญกันเราคิดมาก่อนจะออกจากบ้านว่าวันนี้จะมาทำบุญแล้วเราก็พูดชวนเพื่อนฝูงให้มาทำบุญแล้วเราก็ออกเดินทางมาวัดเพื่อมาทำบุญนี่ก็เรียกว่าคิดดีพูดดีทำดีพอคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ผลอันดับแรกที่จะเกิดขึ้น แก่จิตใจของพวกเราผลอันดับต่อมาที่จะเกิดก็คือเวลาที่เราตายไปบุญที่เราทํานี้จะดึงจะพาใจของเราให้ไปสู่สุขติไม่ต้องไปเกิดในทุกขติเหตุที่จะทําให้ใจของเราไปเกิดในทุกขติคืออะไรก็คือการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดี เช่นคิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดทำบาปต่างๆถ้าวันนี้เราคิดทำบาปไปยิงนกตกปลาเราก็จะได้ความสนุกแต่เราก็จะเกิดความหวาดกลัววิตกกับวิบากที่เราทำไว้โดยเฉพาะถ้าเราไปฆ่าสิ่งที่ฆ่าคนอย่างนี้ถ้าเราไปฆ่าคนใจของเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที จะเกิดความหวาดกลัวกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปลงโทษหรือกลัวจะถูกญาติพี่น้องตามมาล้างแค้นมาตามฆ่ามีผลเกิดขึ้นที่ใจแล้วและเวลาที่ตายไปบาป น, นี้ก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน ไปโลกกระธาด น, นี้คือโลกทั้งสามนี้ก็เป็นเพราะการกระทําของเรานี้เองถ้าเราทําดีเราก็ไปสุขติสุขติคือที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาและของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าทําบาปก็จะไปอบายอบายก็คือที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของสัตว์นรก การที่จะไปได้รับผลเหล่านี้เกิดจากการการกระทำคือการสร้างเหตุถ้าไม่สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลผลก็จะไม่เกิดถ้าไม่ทาบาสรับรองได้ว่าไม่ไปเกิดในอาบายถ้าไม่ทําบุญรับรองได้ว่าไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปสุคตินี่คือเหตุและผลถ้าพวกเรา อยากจะให้ชีวิตของเรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันก็มีความสุขใจสบายใจอนาคตเวลาตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพระอาหารหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพรก็ต้องมันสร้างเหตุที่ดีคือคิดดีพูดดีทดําดีอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทํากันในวันนี้ เป็นเหตุที่จะทำให้อนาคตของท่านจะเป็นอนาคตที่ดีปัจจุบันก็จะมีความสุขใจสบายใจไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนนี่คือการรู้เหตุและรู้ผลเหตุคือการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจผลก็คือความสุขใจทุกข์ใจและภพชาติที่จะตามมาต่อไปการที่เรามาเกิด เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นผลบุญผลบาปที่เราทำไวในอดีตนั่นเองเรามาเกิดเรามีความสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะว่าเราทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันบางคนก็สูงบางคนก็ต่าบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็หน้าตาดีบางคนก็หน้าตาไม่ดีบางคนก็อายุยืนยาวนานบางคนก็อายุสั้น บางคนก็สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงบางคนก็มีอาการไม่ครบสามสบสองเหล่านี้เป็นผลของการทำบุญและทำบาป ท, ที่ไม่เท่ากันนั่นเองถ้าเราอยากจะให้เราเกิดมาสูงมีแต่ความสุขมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสมบัติเข้าของเงินทองสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนาน มีอาการครบสามสิบองมีสติปัญญาที่แหลมคมฉลาดก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีอย่าไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีดอรับรองได้ว่าผลดีจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนดูพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้กันเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านคิดดีพูดดีทำดีมาหลายภพหลายชาติด้วยกัน จนในที่สุดท่านก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราพยายามคิดดีพูดดีทำดีไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติต่อไปเราก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนเพราะนั่นก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการคิดดีพูดดีทำดีของเรานั่นเองผลไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าไม่ได้จากเกิดจากเทวดาอินพรหม ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วขอให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าอยากจะเป็นก็ไปคิดดีพูดดีทำดีแล้วได้เป็นแน่ๆ น, นี่แหละคือเหตุและผลที่เราควรรู้กันชีวิตของเราจะได้เจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขข้อที่สก็คือให้รู้ตนตนก็คือตัวเราสถานภาพของเรา คนเราทุกคนเกิดมานี่มีสถานภาพไม่เหมือนกั น, นเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักเรียนเป็นอาจารย์เรามีสถานภาพเราต้องรู้หน้าที่ของสถานภาพนั้นๆว่าจะต้องทำหน้าที่อย่างไรเป็นเด็กก็ต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำมาหากิฑ เป็นหญิงเป็นชายก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับเพศของตนเพื่อที่จะได้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายไม่มีปัญหาต่างๆตามมานี่คือการรู้ตนถ้ารู้ตนแล้วปฏิบัติตนให้ถูกก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเช่นเป็นคารวาดญาติโยมก็ปฏิบัติอย่างหนึง่งเป็นพระนักบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึง่ง จะปฏิบัติเหมือนกันไม่ได้จะมีการกระทำเหมือนกันไม่ได้ญาติโยมมีการร่วมหลับนอนกันได้แต่พระนี่ร่วมหลับนอนกันไม่ได้ถ้าไม่รู้แล้วไปทำก็จะถูกจับสึกขับออกจากสังคมของพระไปดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมไม่ถูกเขาขับไล่ก็ต้องรู้จักหน้าที่ของเรานี่คือรู้จักตรง รู้จักบุคคลก็คือคนที่เราอยู่ด้วยในโลกนี้คนที่เราอยู่ด้วยในโลกนี้ก็มีหลายส ถ, ถานภาพเหมือนกันคนที่สูงกว่าเราก็มีเท่าเราก็มีต่ำกว่าเราก็มีวิธีเราจะปฏิบัติกับบุคคลต่างๆก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลเหล่านั้นเช่นกับพ่อกับแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ เราก็ต้องปฏิบัติแบบห น, น่กับเพื่อนฝูงเราก็ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งกับน้องหรือกับผู้ที่เขาด้อยกว่าเราต่ำกว่าเราเราก็ต้องปฏิบัติกับเขาอีกแบบหนึ่งถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกก็จะถูกตําหนิตีเตียงหรือจับไปลงโทษได้ดังนั้นเราต้องรู้จัก บ, บุคคลในสังคมที่เราอยู่ด้วย เพราะเราอยู่ในโลกที่มีการแยกชั้นวรณะกันมีผู้สูงมีผู้เท่าเราและมีผู้ต่างกับเราผู้สูงเราก็ต้องให้ความเคารพถ้าเราไปาไม่ให้ความเคารพไปลบหลู่ดูหมิน่นเราก็อาจจะถูกจับเข้าคุกเข้าตรางได้ถ้าเราไม่อยากจะถูกจับเข้าคุกเข้าตราง ก็ต้องรู้จักบุคคลแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นนี่คือเรื่องของการรู้บุคคลก็ต่อมาก็ให้รู้สังคมสังคมที่เราอยู่ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละสังคมนี้ก็ไม่เหมือนกันสังคมไทยก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยของฝรั่งเขาก็มีแบบฝรั่งของจีนของญี่ปุ่นเขาก็มี ที่ไม่เหมือนกันเราอยู่ในสังคมใดเราก็ต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเราไปทาไม่ทำตามขนบรรนประเพณีประเพณีที่ดีงามที่ถูกต้องเราก็จะถูกสังคมรังเกียจดีไม่ดีก็อาจจะจับถูกเข้าขังเข้าคุกเข้าตาราง เช่นสังคมต่างๆเขาก็มีกฎหมายห้ามฆ่าห้ามทำอะไรต่างๆถ้าเราไปทำผิดกฎหมายเขาก็จะต้องจับเราไปลงโทษเข้าคุกเข้าตารางนี่คือการรู้จักสังคมรู้จักกฎระเบียรรู้จักกฎหมายรู้จักขนบธรรมเนียมประเพดีอันดีงานของสังคมนั้นเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมนั้นได้อย่าง ปลอดภัยไม่มีโทษไม่มีภัยเกิดขึ้นมาข้อต่อมาก็คือให้รู้จักกาลเทศะกาลเทศะก็คือเวลาและสถานที่นั่นเองเวลาเราอยู่ที่ไหนสถานที่ไหนเขากําลังทําอะไรกันอยู่เช่นเวลาเรามาวัดเราก็ต้องดูว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่เขากําลังถวายอาหารเราก็ถวายอาหาร เขากำลังฟังเทศฟังธรรมเราก็นั่งฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เวลาคนเข้านั่งฟังเทศฟังธรรมเราอยากจะถวายอาหารเราก็เอาอาหารเข้ามาถวายอย่างนี้มันก็เป็นการไม่รู้จักกาลรเทศะทําให้เกิดการเสียหายได้ทําให้เกิดวงแตกได้เช่นกําลังพูดธรรมะก็เอากับข้าวมาประเคน ก็ต้องอยู่พูดธรรมะไปต้องรับประเคนของไปอันนี้เราต้องรู้จักว่าควรจะพูดควรจะทาอะไรอย่างไรในแต่ละสถานที่และเวลานั้นเรียกว่ารู้กาลเทศะข้อสุดท้ายคือให้รู้ประมาณคาว่ารู้ประมาณก็คือให้รู้ความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดี เช่นเสื้อที่เราใส่เสื้อผ้าที่เราใส่ใหญ่ไปก็ไม่ดีเล็กไปก็ไม่ดีรองเท้าก็เหมือนกันของใช้ต่างๆต้องพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็เสียเงินเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรน้อยเกินไปก็ไม่พอใช้ต้องรู้จักความพอดีโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยสี่ เราต้องรู้จักความพอดีว่าเราควรจะมีมากน้อยเพียงไรอาหารควรจะรับประทานมากน้อยเพียงไรเสื้อผ้าควรจะมีมากน้อยเพียงไรบ้านควรจะมีในระดับไหนก็ดูตามกำลังของเราเรามีเงินน้อยก็ซื้อบ้านที่ราคาถูกเรามีเงิน้ากก็ซื้อบ้านที่ราคาแพงได้อย่าไปดิ้นรนให้เหนื่อยเกินไปไม่เกิดประโยชน์อะไร พอบ้านราคาแพงหรือบ้านราคาถูกก็อยู่ได้เหมือนกันเป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้เหมือนกันไม่ต้องเป็นจะต้องไปดินรนซื้อบ้านราคาแพงๆ แ, แล้วต้องไปเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็จะมีความวุ่นวายกังวลใจกลัวจะไม่สามารถจะใช้หนี้ได้พอไม่สามารถใช้หนี้ได้เดี๋ยวก็ถูกเขายึดคืนไปอยู่ดี สร้างความทุกข์ให้กับใจไปต่อๆอยู่แบบมักน้อยสันโดษดีกว่าดินดีตามมีตามเกิดแล้วก็เอาน้อยๆเอาถูกถูกแล้วจะได้ไม่ต้องเครียดกับการคอยหาเงินมาซื้อของแพงๆใช้นี่คือเรื่องของการรู้สิ่งต่างๆที่เราควรจะรู้ถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุข ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างปลอดภัยจากภัยต่างๆเราต้องรู้ความรู้ทั้งเจข้อนี้คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประมาณถ้าเรารู้และเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขไม่ว่าจะรวยจะจนไม่เป็นปัญหาอะไร ความรวยความจนนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราสุขและเจริญหรือทุกข์หรือเสือ่อมแต่การรู้หรือไม่รู้ความรู้เจ็ดประการนี้เท่านั้นจึงขอให้ท่านจงนำเอาความรู้ที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจนาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา